ท่านฟันคะรายการสัสนิยมสนทนาเป็นรายการที่พบกับท่านเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประยรติแห่งนี้ดิฉันสัสนิยมนาภพงศ์ดเนินรายการคะ่ะเราอยู่กันมาเป็นเวลานานทีเดียวนะคะและเชื่อว่าเป็นรายการที่น่าจะให้ประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ มีเวลาหรือไม่มีเวลาเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายหรือจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตยังมีสีสันอยู่รายการนี้มั่นใจว่าเราให้ประโยชน์ท่านได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุล โ, โนนะคะจากวัดป่าดอนหายสงุดอนธานีซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาเปิดให้เป็นศูนย์พักพิงสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยเราไปพบกับท่านไพบูล์กันเลยค่ะน้มัตสการกัทั้งค่ะเชิญบาน ที่คุณยมติวพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหรือชีวิตอย่างมีสีสันนะนะอันนี้มามีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าคือคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจคําว่าสีสันเนี่ยหมายถึงว่ า, าชีวิตที่ที่เ อ, อิบอิ่มไปด้วยกามคุณถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะ น, นะค่ะหือชีวิตที่เ อ, อิบอิ่มไปด้วยกรมคุณทั้งห่าค่ ะ, ะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าใช้ชีวิตอย่างสีสันอย่างมีสีสันแล้วจะเรียบง่ายไม่ได้ค่ะคือชีวิตเรียบง่ายเนี่ยหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ย ไม่มีการไม่มีกามคือเราสามารถเสพการมบุคุณได้อย่างที่ไม่มีการได้ค่ ะ, ะที่ดิฉันพูดประโยคเหล่านั้นไปเนี่ยเป็นเพราะว่าก็ไปเจอญาติพี่น้องคนรู้จักอย่างเงี้ย น, นะคะเราก็มักจะชวนเขาชวนเขาว่าเออเนี่ยมีเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมเนี่ยมันเห็นอะไรชัดเจนมากทำไมเราไม่หันกข้าหาธรรมะธรรมะม า, ะมามปฏิบัติทำกันมีหลายคนมากเลยนะคะก็จะพูดรว่าโอ๊ย ยังไม่พร้อ ม, อมยังไม่นุน่นยังไม่นี่เราก็เลยบอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่ผิดปกติไปจากเดิมนะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเราก็ยังใช้ชีวิตเราคิดว่าชีวิตเรามีสีสัน อ, อ, อย่างน น, นะคะใช่ใค่ะสีสันมีอยู่ในธรรมะได้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะท่านอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะเผื่อที่บางท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจโอก็ต้องทาความเข้าใจประเด็นเรื่องของ กามกับการมคุณคำว่าการมคุณเนี่ยเชี่อธิบายถึงความสิ่งที่มันเลิ่รูในโลกนะเช่นต า, ตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรถเบนซ์บ้านหลังโตโตนาฬิกาแพงๆพวกนี้คือเป็นการมคุณนะส่วนการเนี่ยคือความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนจน คนจนอยู่ตามชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยมีความกำหนัดยินดีในบ้านเก่าๆของตัวเองอันนี้คือเขาเสพกรามแต่เขาไม่ได้มีการามคุณที่ดีแต่แต่ถ้าเศรษฐีนะมีบ้านหลังโตโตมีรถเบนซ์ขับเนี่ยแต่นี่คือมีการามคุณ5ห้อย่างดีแต่เขาไม่กำหนัดเพลิดเพลินลุ่มลงในสิ่งนั้นแสดงว่าเขามีการามคุณ5ห้แต่เขาไม่ได้เสพกรรมเพราะฉะนั้นชีวิตของเรามีสีสันได้มีธรรมะก็มีสีสันได้ค่ะ คืออย่าไปมีกำหนัดมัวเมาลุ่มหลง<ช>เพราะว่าธรรมะนี่เขาก็มีสำหรับมนุษย์ธรรมดาถูกไหมครับ ม, มันยิ่งจะดีซะอีกเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมากกว่าค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องคำถามนะคะัะ้คือมีคนพูดถึงเรื่องเอ๊ะทำไมบ้านนั้นเจอน้ำท่วมนกะ บ้านนี้เจอน้าท่วมน้อยอทำไมคนบางคนถึงเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากกว่าคนบางคนทั้งที่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันค่ ะ, ะคำถามนี้ต้องวิเคราะห์ในรายละเอียดอย่างนี้ว่าคำว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเงี้ยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันคุณยมติวค่ะอ่ามันไม่ได้แปลไปตามตัวแปรอย่างเช่นระดับน้ำ หรือมันไม่ได้แปลไปตามตัวตัวแปลอย่างเช่นเงินที่คุณมีอยู่ในธนาคารหรือเงินที่คุณมีอยู่ในกระเป๋ามันไม่ได้แปลไปตามตรงนี้เพราะฉะนั้นมันแปลไปตามอะไรไอ้ความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยนะมันก็แปลไปตามจิตของเรานี่นเองอย่างสมมุติอาตมาบอกโดนยุงกัดแล้วเจ็บไอ้ความว่าเจ็บของอาตมาเนี่ยนะมันจะไม่เท่ากับของท่านผู้ฝังไม่เท่ากับของคุณโยมติ๋วค่ะคนคุณก็อธิบายว่าเจ็บเหมือนกันนี่ฉันก็อธิบายว่าเจ็บคุณก็อธิบายว่าเจ็บ แต่เจ็บมันไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่คนถามว่าความเจ็บที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันแปลตามแปลผันตามอะไรมันแปลผันตามความอดทนนะถ้าคุณอดทนมากความเจ็บคุณจะน้อยลงถ้าคุณอดทนน้อยความเจ็บคุณจะมากขึ้นทางๆที่หมอเนี่ยเขาก็กรีดลงไปเหมือนกันทั้งเรื่องที่น้ําก็ท่วมระดับเดียวกันเงินในกระเปะ๋าเงินในกระเป๋าก็มีเท่ากันแต่ว่ามันจะเจ็บจะทุกข์จ ะ, เ, ะเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เลวร้ายเนี่ย มันจะมากหรือน้อก็อยู่ที่คนคนนั้นก็คุณจะมีมาตรวัดของคุณเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างที่เมื่อต้นสัปดาห์เราพูดถึงว่าคนที่บ้านยังแห้งๆอยู่อย่างเงี้ยอาจจะมีความกังวลใจมากกว่าคนที่น้ําท่วมถึง2เมตรก็มีเพราะว่าเขารับความทุกไม่ได้ในขณะที่คนน้ําท่วมถึง2เมตรที่เขาปรับชีวิตของเขาเรียบร้อยแล้วอยู่มาตั้งสองเดือนแล้วเขาสบายละแต่คนที่ยังรอน้ําอยู่นี่มันโอ๊ยกังวลเหลือเกินว่าอะไรจะเป็นอะไร นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผู้เช่าพูดถึงเรื่องกรรมเก่าคุณโยมติว๋วอันมาต้องการดึงมาตรงประเด็นนี้ก็คือว่ากรรมเก่านี่เองจะเป็นตัวที่ทําให้เรามีสุขหรือมีทุกข์มากหรือน้อยผู้เช่าบอกองี้ว่ากรรมเก่าคืออะไรกรรมเก่าคือการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้นะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านกับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในสถา น, นีเนี่ยจะได้ฟังเสียงเหมือนเหมือนกันนะนะทีนี้ ไอ้เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์เดียวกันไปนะแต่พอความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเสียงที่ไปกระทบหูเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วอันนั้นคือกรรมเก่าของคุณของแต่ละคนไม่เหมือนกันค <c oughs> ่ะอ่พูดง่ายๆหมายความว่าอะไรเนี่ยพูดมาตั้งยาวก็หมายความว่าน้ําท่วมระดับนี้เงินในกระเป๋าเท่านี้ไอ้การที่เรารู้สึกต่อสิ่งนั้นเนี่ยไม่เท่ากันหรอกเอาทําไมไม่เท่ากันก็กรรมเก่าของคุณไงทำไมคุณรู้สึกทุกข์ต่อระดับน้ําแค่ตะตุม่ม กับอีกคนหนึ่งน้ําท่วมชั้นหนึ่งหมดแล้วต้องอยู่ชั้นสองก็งยังไม่ทุกเท่าคุณน้ําท่วมเท่าตาตุ่มเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้พระพุทธงัตนดได้เลยเหรอคะว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่ากรรมเก่าคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือกรรมเก่าตัดไปทำไมไม่ท่านอาจารย์คะงั้นเดี๋ยวดิฉันขอทําความชัดเจนอีกนิดนึงนะคะท่านบอกว่ากรรมเก่าหมายถึงการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ใช่ท่านกําลังจะพูดว่าไม่ใช่เรื่อง สิ่งที่เราเคยทําแล้วมันเป็นเวรผูกมาเป็นกรรมจากการที่เราเคยทําชาติที่แล้วมาถึงตอนนี้ก็เป็นได้เป็นไปได้เเป็นไปได้นี่หมายความว่าไงหมายความว่าอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องจิตแต <c oughs> ่เรื่องเรื่องน้ําท่วมเนี่ยยกไปเลยไม่เกี่ยว <c oughs> อการที่เราน้ําท่วมพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะเป็นเหตุแห่งอุตุก็ได้นะ จ, จะเป็นเหตุแห่งการตรียมตัวไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นเหตุของกรำเก่าก็ได้ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆนะที่แน่ๆเลยนะคือการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์นี้ในกรณีนี้คือมีน้ำน ะ, ะมันไม่เหมือนกันเพราะกรรมเก่าเราไม่เท่ากันทาไมาคนที่มีบุญน้อยๆเนี่ยนะคนที่เป็นคนเจ้าทุกข์นะมันอะไรมันทุกข์ไปหมดน ะ, ะน้ำยังไม่ท่วมมันก็ทุกข์แล้วน้ำท่วมหมูมันยิ่งทุกขนะ์หนักเพราะว่าเขากำเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนเจ้าทุกข์ อ, อ่ะเป็นลักษณะของเาค่ะ น่าจํามากนะคะคําว่ากรรเก่าในหมายถึงการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ถูกต้องนี่เป็นพุทธวจนะอเป็นพุทธวจนะเลย ท, ทองเลยนะค ะ, ะทีนี้ทําไมอย่างพระอรหันเนี่ยพุทธเจ้าบอกพ้นแล้วจะกรรเก่ากรรเก่าทํา <hi. S 1> อะไรเขาไม่ได้เอาแล้วทําไมพระมหาโมคคแลนนะยังถูกทุบจนกระตูกแตกตอนก่อนจะปรินิพานอย่างเงี้นะหรือว่าพุทธเจ้ายังถูกทําโลหิตให้ห่อเลือดเอาางงี้ไม่ได้เรียกกรเก่าหรอ ไม่ใช่อันนั้นเรียกว่าผัสสะอันที่ท่านถูกทูบเนี่ยคือเกิดผัสสนะ ก, ก, กับท่านใช่ไหมพระมหาโมคระถูกทูบเนี่ยนะเกิดผัสสะกับท่านแต่ผัสสะนี้ทําให้เกิดอารมณ์ในจิต ท, ท่านไหมไม่เกิดไม่เกิดนะทำให้กรรมเก่าเนี่ยคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ไม่เกิดขึ้นค่ะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะาจิต ท, ท่านดับไปแล้วนิพพานไปได้แต่ตอนที่ตรัสรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้น จึงทำให้จิตของพระอาจารเนี่ยไม่กระเถือนต่อสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นอะไรพ้นจากกรรมเก่านั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีของอย่างเนี้ยน้ำท่วมอย่างเนี้ยคือทุกคนเจอผัสสะเหมือนเหมือนกันเจอภัสสะเหมือนเหมือนกันคือระดับน้ำเท่าเท่ากันแต่คนหนึ่งทุกคนหนึ่งทุกมากทุกน้อยก็เพราะว่าอันนี้เป็นความที่คุณรู้สึกต่ออารมณ์นั้นๆนั่นเอง ถามว่าในน้ำท่วมเนี่ยนะคุณหยมติว๋วมันมีคนที่ทำเงินได้มากขึ้นก็มีน ะ, ค, ะคนที่ขาดทุนจนไม่เหลืออะไรก็มีน ะ, ะซึ่ง ค, ความสุขทุกข์นี่ไม่ได้รับวัดจากระดับเงินในกระเป๋าแน่ไม่ได้วัดจากระดับน้าแน่แต่วัดจากความที่คุณรู้สึกต่ออารมณ์นั้นต่างหากอารมณ์นั้นในที่นี้คือระดับน้ำอารมณ์นั้นในที่นี้คือเงินในกระเป๋าเป็นต้นเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็ เป็นอย่างนี้นี่เองเราจึงจะสามารถที่เข้าใจว่าอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยวางซะ้ เ, เราจะไม่ทุกข์เอ้าถ้าไม่ทุกข์อย่างนี้เราก็พ้นจากกรรมกับโอ้ดีจะตายแล้วที่มันเกิดขึ้นอยู่นี่คืออะไรอ๋อมันเป็นเหตุแห่งอุตุเหตุแห่งดินฟ้าอากาศเหตุแห่งการเตรียมตัวไม่ดีแล้วทายังไงต่อไปก็ค่อยๆแก้ไปละกันน้ํามันมามากแล้วก็ค่อยๆระบายออกแต่ถ้าเราสามาัคคีกันมันจะผ่านพ้นไปได้อืม อันตรายอยากต้องการจะพูดถึงประเด็นนี้อย่างสมมติตอนที่เข า, าตอนที่ยุโรปเนี่ยเขากําลังมาล่าอนาธิค ม, มนะเป็นบริษัทที่เราก็ได้ศึกษามาคือคนในชาติเนี่ยเราสามาัคคีกันเราจึงรอดผลได้แต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับตอนที่คุงศียุทยาแตกนะคือคนในชาติไม่สามาัคคีกันทิมแทงกันด้วยหอกคือปากมีไส้ศึกคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้คนนี้ก็เอาอยาอีกอย่างนึง่งนะทุกคนมีแต่ความอ่อนแอ ม, มันจึงไม่สามารถป้องกันได้ หรืออย่างทําไมประเทศอินเดียเนี่ยถูกยึดอาานิคมโดยประเทศอังกฤษทั้งนั้นที่อังกฤษมีคนน้อยกว่ามากมากเลยนะเพราะว่ า, าเขาเขาใช้วิธีทางการเมืองทําให้ไม่สามารถรวมกันติดได้นะจึงไม่มีกําลังที่จะต่อต้านเหมือนกันตอนนี้เราเจอวิกฤตที่เราเจอพร้อมๆกันหลายๆบริเวณของประเทศนะซึ่งจึงเป็นประเด็นที่ทําให้เราต้องยิ่งสามัคคีกันค่ะท่านประยุนค่ะคือเราอาจจะพูดกันอยู่ถึงเรื่อง ปัจจุบันหรือเรื่องอดีตคื อ, อเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราถึงเห็นมันชัดแล้วก็ปัจจุบันมันเป็นอยู่แล้วก็เห็นมันชัดมากยิ่งขึ้นอ mm hmm. แต่ถ้าจะพูดไปถึงอนาคตเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีคนพูดเรื่องนี้เยอะแม้แต่กระทั่งในพระพุทธศาสนาเราดิฉันก็ไปเจอหนังสือนังสืที่เขาจะรวบรวมเป็นเหตุการณ์พิบัติภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะชี้ว่าโลกมันถึงแก่การวิกฤต นะคะแต่ว่าอ่าลงท้ายด้วยการที่ให้ใช้คําสอนของพุทธเจ้าอืม mm hmm. ว่าให้เร่งปฏิบัติธรรมแล้วพูดถึงว่าทุกนะคะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเ mm hmm. ดี๋ยฉันจะถามท่านถึงอนาคตบ้าง uh huh. คนบางคนก็จะพูดนะโหไปเปิดข้อมูลนาซา ประเทศไทยเนี่ยมันจะด้วนอยู่แค่นครสวรรค์ น, นะคะ oh. นอกจกนั้นจะจมน้ําหมด <Okay. S 2> คนจะต้องหนีขึ้นภาคเหนือตอนนี้นบ้านจัดสรรภาคเหนือเริ่มขายดีแล้วนะคะท่อน uh huh. นี่ค่ะถ้าจะพูดถึงว่าอนาคตโดยเฉพาะคนที่ไม่มีปัญญาจะหนีไปไหนแล้วแค่ปัจจุบันเนี่ยพยายามจะเอาให้อยู่ยังผ่อนไม่หมดเลยในที่ลุ่มต่ําทั้งสูงน้ําช่วงไปแล้วเนี่ยออื uh huh. ก็อันนี้อาตมาเขาพยากรณ์ได้คุณโยมติว๋วไม่ต้องเอาอาตมาพยากรณ์นะผู้ริจ้าพยากรณ์ไว้แล้วดีกว่าว่าโลกมันจะแตกคแต่แต่เมื่อไรเนี่ยมันแปลผันตามอํานาจกิเลส ท, ที่มันไหลเวียนอยู่ตรงนี้ไงพุ้ริจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ไกี่ปีแต่บอกหลายแสนปีหลายเอาเป็นหลายแสนปีนานมากอะ่ะที่ว่าฝนจะไม่ตกเลยอย่างนี้น ะ, ะโลกมันจะเริ่มแตกแล้แต่นี้มันยังไม่ถึงตอนนั้นด้วยซ้ําเำที่ฝนไม่ตกมาเป็นหลายแสนปี ท่านพิพูนคะทีนี้เนี่ยกับหนังสือที่ดีท่านไปเห็นเนี่ยเขาก็จะยกตัวอย่างภาพว่าที่นี่ไม่เคยหิมะตกมาเป็นเวลาเป็นร้อยปีตอนนี้กับหิมะหิมะตกน้ำไม่เคยท่วมมันก็ท่วมก่แล้งก่อนแล้งภูเขาไฟระเบิดมีสึนามิ อ, อะไรก็แล้วแต่อเราควรจะวางใจกับมันอย่างไรอ๋อคือถ้าในกรณีที่เกิด สิ่งที่ใครจะพยากรณ์ทำนายอะไรเนี่ยนะเราต้องฟังไว้ก่อนอย่าพึงเชื่อเท่านั้นว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่านะหรือว่าอย่าพึงเชื่อว่าสิ่งอื่นเท่านั้นจริงสิ่งนี้ไม่ใช่ก็ฟังไว้นะเป็นกลางๆแล้วถามว่าคุณจะทำอะไรเราต้องเด่สร้างบุญรบประพฤติชอบประพฤติตามธรรมสร้างกุศลบำเพ็ญบุญนะให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นจริงนะเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังถ้ามันไม่เป็นจริงนะปัจจุบันนี้เราก็อยู่เป็นสุข เราก็หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทำยังไงสร้างบุญสร้างกุศลก็ใน ไ, ไงให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเบสิคมากๆเลยมันเราทำได้ไม่ว่าข่าวมันจะมาจากทางไหนเดี๋ยวมันมาทางเดี๋ยวนี้ข่าวมันมาง่ายนะคุณโยมติวอินเทอร์เน็ตบ้าง Facebook บ้างโทรศัพท์มือถือทีวีโอ้โหมันผัษสนี่แหละจะทาให้เราทุกข์ <c oughs> เพราะภาษสนเป็นที่ไปสู่เวทนาใช่ไห พอมีเวทนาแล้วความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจะรวมลงที่เวทนาภาษานี่แหละเป็นตัวทำให้เราทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เป็นเหตุของเวทนาเวทนาทำให้เราทุกข์ค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความหนักแน่นอย่าคิดว่าสิ่งนั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วก็ต้องมีความเชื่อพุทธเจ้าสิคะที่ท่านพูดก็คือต้องให้อะไรนะคะ รักษาศีลเออให้ประพฤติชอบประพฤติธรรมสร้างกุศลบําเ็ญบุญค่ะว่าสิ่งที่จะทำให้เราตายมีเยอะแยะง่ายยง่ายกว่าเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติมีมากมายแต่มันแปลกน ะ, ะท่านคือสมมุติว่าถ้าเราคิดอยู่แต่เรื่องภัยพิบัติมันก็จะเห็นแต่ภัยพิบัติแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอันนี้ไม่เจอภัยพิบัติก็ตายเหมือนกันนะใช่ใช่ เหตุ oh, hey. ของความตายมีมากพู้เชาบอกว่ามัจจุมานและเสนามาณเนี่ยมีมากเสนาของความตายน ะ, ะมีมากจริงๆเราคนกลัวอะไรมากกว่ากันคะระหว่างความเกิดกับความตายเนี่ยคะทะสิ่งที่คุณกลัวคื อ, อกลัวบาปเป็สิ่งที่ควรกลัวเพราะถ้าบาปเร า, เรากลัวบาปแล้วเนี่ยเราละ บ, บาปได้เนี่ยความเกิดกับความตายเราจะไม่ต้องกลัวเลย คือไม่ต้องกลัวสองอย่างนี้ให้กลัวบาปให้มากๆใช่นะ no. บาปที่ท่านว่าเนี่ยเป็นบาปอย่างไรบ้างคะบาปก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลนะคือกายวาจาใจเป็นทุจริตนะหรืออะไรที่เป็นมิจฉาอ่ามิจฉาก็เรียกมิจฉามักอะ่ะอันนี้เป็นบาปทางนั้นน ะ, ะผิดศีลห้าเป็นบาปคิดไม่ดีเป็นบาป แต่ถ้าประเด็นที่คุณโยมติ๋วพูดถึงเรื่องการเกิดกับการตายนะคุกลัวอะไรมากกว่ากันคือกลัวทั้งสองอันแต่สิ่งที่คุณกลัวมากกว่าก็คือการเกิดเพราะการเกิดเป็นเหตุของความตาย mm hmm. ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้สมมุติว่าถ้าเราควรกลัวความเกิดกลัวความตายสัก9้าอย่างเงี้ยควรกลัวความเกิดสักสิทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องกลัวมากๆอยู่แเพราะมันเป็นเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ค่ะส่วนจะไม่ต้องกลัวได้อย่างไร เพราะว่ายังไงมันก็แก้กลัวยากเหลือเกินท่านเพบูลมีธรรมะที่จะช่วยได้หรือเปล่าคะโอ้อันนี้ผู้รีชา ต, ตรัสไปแล้วเรื่องของอริยมยรรคผิจะยงต้องติด<ะ>ตามมาต่อไปอ่ารวมตรนี้ ไ, นได้ค่ะเพราะวันนี้ <c oughs> ใ, ในรายาการนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะส่วนท่านเพบูลจะไปวิทยุประเทศไทยนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็พักกันสําหรับสัมมนาสนทนาแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเพราะวันนี้เวลาหมดจริงๆเลยนะคะน้ัสการขอบพระคุณท่านเพริบูล แล้วก็พูดทวสวัสดีท่านฟังที่เคารพรทุกท่านเลยค่ะ